แต่ในคำสอนของพระเจ้านี่เป็นคำสอนของผู้กล้าหรือคนขี้ขาดของผู้กล้าไม่ใช่คนขี้ขาดไม่ใช่ว่าประเภทที่เขาเรียกเยี่ยสมัยก่อนยอมพ่อยมแม่คอยชอบว่าต่ามาเล็ก่เองนี่อย่บขี่ไก่ไม่ฟอ้องวันนี้เออเนี่ยคือขี้ขาดนั้นต้องไม่ต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวในการที่จะจะออกจากกิเลสแล้วต้องไม่กลัวต่อการที่จะเพียรพยายาม ถ้าก็บอกเพียนหนึ่งวันไหวไหมไหวสองวันไหวไหมไหวสั ป, ปดาห์หนึ่งไหวไหมไหวเดือนหนึ่งไหวไหมปีหนึ่งโอ้โหสักนานไปละมึงอะไรเงี้ยนะพระบางองค์นี่หกสิบปีเห็นไหมในปัจจุบันน่พบเนี่ยหกสิบปีท่านเพียนท่านน่ะท่านต้องการจะบูชาบูชาทุกการกิริยาของพระเดยียยวดังนั้นท่านเพียนจริงๆนะไม่ใช่ไม่เพียนนะแต่ความเพี้ยนอันนั้นน่ะ ไม่ใช่เป็นการเพียรทางกายอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปบอกไปอากุศลก็เพียนได้เอางี้คนที่ไปรบกันในสงครามก็ต้องเพียนนะอันนั้นใช่วิริยะสัมมาวายมะไหมไม่ใช่หรอกเพียรในทางศาสนาเขาเรียกว่าเพียนในการที่จะเดินกุศลให้เกิดอย่างต่อเนื่องเช่นนั่งอยู่อย่างเนี้ยเอาเราก็นั่งเขาฟังทำห้าชั่วโมงแล้วก็ฟังกับเขาได้ห้าชั่วโมง่ะ แต่ใจเราเป็นไปกระบาปเรียกว่าเพี้ยนไหมเรียกไม่เรียกไม่เรียกอ่ะนั่งหลับตลอดเนี่ยเรียกว่าเพี้ยนไหมก็ไม่เรียกว่าเพียนถ้าเพียรจริงๆแล้วก็จะต้องทําจิตไม่ให้ตกจากกุศลลงปรวังขึ้นชาวนะใหม่ก็เป็นกุศลลงประวังขึ้นชวนะใหม่ก็เป็นกุศลอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเพียรเอาทํำยังไงก็ได้นอนฟังก็ได้สมมติรมม like like <S <S ่างกายไม่ไหวขอขอภัยสมมติว่ามันร่างกายไม่ไหวแล้วป่วยใช่ไหมนอนฟังเลยแต่ว่าไม่ให้จิต เป็นไปกับบาปแต่ตอนนี้นั่งก่อนเนาะถ้านอนแล้วไปหมดเลยเนี่ยจะมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเพียนนั้นความเพียรเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแค่นั้นในว จ, จีปณิธานที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะที่ว่าอัมหากลังเป็นต้นอะไรเนี่ยที่บอกว่าดังได้สดับมาเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์ในการแห่งสุญยากับ ด้วยอเนกประมาณขั้นนานมาในอัตภาพหนึ่งพระองค์ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้บรรพชาเป็นดาบทในประเทศหิ ม, มวันก็คือก็คือในป่าป่านั่นแหละนะหิมะป่าที่มีหิ ม, มะเนี่ยบําเพ็ญกสินบริกรรมภาวนาได้ปฐมได้ปฐมานุโยคฌานคือปฐมฌานอ่ะดับสังขารแล้วก็ได้ไปบังเกิดในปฐมฌานภูมิเป็นพรมนะ การไปเกิดในปฐมฌานภูมเนี่ยถ้าหากไม่มีวิปัสสนาญาณเป็นตัวนำเนี่ยนะโอกาสเป็นมิจฉาทิฐิสูงฉะนั้นบรรดาคนที่ไปเกิดเป็นพรมทั้งหลายเนี่ยที่ได้ฌานสมาบัติทั้งหลายเนี่ยอัตตาทั้งนั้นเราทั้งนั้นใช่บางทีไปสำคัญว่าไอ้ตัวโลกเนี่ยไปสำคัญตัวปฏิภาคคณิมิตที่ตนเองขยายได้ พอขยายปฏิภาคกัณมิตรได้กว้างได้ใหญ่ขนาดไหนก็กําหนดว่าไอ้ตัวปฏิภาคกัณมิตรเป็นโลกก็ได้มีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างเป็นต้นดีไหมเนี่ยโทษมากมากเลยถ้าหากว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเดินท่านไม่ไม่เข้าใจเรื่องวิปัสสนาญาณเนี่ยนะนี่เพอเอิญท่านเข้าใจเห็นไหมเพราะท่านศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏเนี่ย เวลาสมาบัติต่างๆเกิดขึ้นกับท่านท่านก็เดินวิปั ส, สนาท่านเข้าใจว่าตัวสมาบัตินั้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นแลยนะแล้วท่านก็เข้าใจว่าคือเป็นนามรูปอย่างไรเป็นต้นบ้างสภมาบัติก็คือกลุ่มนามธรรมาทั้งหลายที่อาศัยรูปธรรมเป็นไปเป็นต้นเหล่าเนี้ยและท่านก็ไม่หลงในสมาบัติและในปฏิภาคคาริมิตคืออารมณ์ของสมาบัตินั้นนี่ส่วนจริงท่านก็ไปเกิดเป็นพรมก็ไม่เป็นพรมอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ว่าสําคัญว่าตนเองเป็นพระเจ้าเป็นต้นใช่ไหม ที่เคยกล่าวไปแล้วว่าพรหมบางประเภทเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สำคัญตนว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็สำคัญตนเองเที่ยงแต่สัตว์อื่นไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้ ก, ก็ก็ไปเข้าใจผิดพลาดเยอะแยะดับสังขารแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกในปฐมฌานภูหมนะมีอายุเป็นกับนะหลังจากจุติคือตายจากพรหมโลกแล้วก็เดชะนุภาพของสุปกินหะพราณิสงนั้นนะ ก็ได้ทรงสันนิษั่งสมสุจริตธรรมไว้ในปุริมภพเป็นอันมากอำนวยผลให้สืบปฏิสนธิกำเนิดในกษัตรก็คือเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ในในธัญวดีมานครเนี่ยตรงนี้นะนี่เกี่ยวขับเนรานของวจีปณิธานและในขณะนั้นเองก็ในเกิดในสารามันดาก็ได้พบพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะ นาการเป็นภายในแห่งสัพพัททะอสงขยกับตัดสะนามะไปต้นแล้วเนี่ยนะในวันสุพระวดีถีเป็นเลิกที่ดีนะก็ประชุมบรมวงด้วยก็ขนานพา น, นามถวายบอกว่าพระเจ้าสาคราราชกุ ม, มารสาครนนั่นเองเมื่อเจริญวัยวัฒนาการแล้วสมเด็จพระชนะกาธิบดีหมายถึ้พ่อเนี่ยนะก็ดับขันสวรรคคตแล้วก็ พระโพธิสัตว์ก็ดำลงศิริราชสมบัติสืบสัน ต, ติวงศ์ด้วยทศพิทราชธรรมก็คือว่าเป็นพระราชาทรงทรในนี้แต่ลำดับการเป็นเบื้องหน้าแต่นั้นเองสมเด็จบรมกษัต ร, ริย์ก็ทรงอุตสาหะปฏิบัติในทางจักรพรรดิก็หมายความว่าอันราชปุรโรหิตาจารย์นะกำหนดถวายให้ทรงสำเนียกบอสติกังที่บอกว่าในวันปันรศรีวันอุโบสถนั่นแหละก็เข้าถึงทรงชําระศาสนานพระองค์แล้วก็ทรง พระภูษาขมาพัดก็คือผ้าในเน่งผ้าขาวทั้งคู่ในวันอุโบสถเสด็จขึ้นสถิตเบื้องบนมหาปราสาทแล้วกระซงอาวชนะนึกถึงอุโบสถศสีลของพระ อ, องค์ตรงนี้ก็คือว่าพระ อ, องค์ทรงบำเพ็ญอุโบสถศสีลเออเราถ้าวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าเนี่ยหรือแปดค่าเป็นด้นนัวยเราอุโบสถถือทุกวันไหมทุกโบสถ์ไหมตั้งหลักใหม่ได้ไหมบอกโอ้ ถ้าถึงวันพระแปดก้ามสิบ้าก้ามเราจะถือบสตถามว่าอุโบสถศีลจริงๆเดือนหนึ่งมีแค่สี่ครั้งเนาะแค่นี้เองอะ่ะน้อยไหมเดือนหนึ่งสามสิบวันบ้างสาสิบเอ็ดวันบ้าง น, านั้นๆจะเจอยี่แปดยี่เ้าเนี่ยนึ่แค่สี่วันมันทํายากเงยยากไหมไม่ยากหรอกถ้าเรามีศรัทธาใช่ไหมถ้ามีศรัทธาไม่ยากบางคนเนี่ยทำงานทั้งโลกบางคนทาได้ทั้งคืน แต่เวลาฟังทำฟังได้ไม่ถึงนะไม่ถึงสามสิบนาทีนี่จะไปแล้วเนี่ยตองตั้งหลักใหม่ที่ถามว่าถ้าเราไม่รีบตั้งตั้งแต่ในพบนี้เราจะไปตั้งพบหน้าได้ไหมถ้าไม่ตั้งแต่วันนี้จะไปตั้งวันหน้าได้ไมเนี่ยจยมันประมาทไปหมดเลยฉนันตั้งใหม่ได้แต่ทำไมทาไมจะไม่ได้ใช่ไหมถึงวันพบมันทมันจะดูเหมือนจะยากครั้งแรกแค่นั้นแหละ แต่ประทับก็จริงๆเนี่ยศึกษาข้อมูลได้ดีแล้วในส่วนจริงแล้วก็ตั้งหลักได้ทีนี้รัตนนาทั้งเจประการก็อุบัติเกิดขึ้นด้วยเดชอนิสงส์แห่งราชกุศลที่พระองค์รักษาบุตรสตศีลเป็นประธานเห็นไหมการรักษาบุตรสตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์รักษามาอย่างยาวไกลแล้วในสังสารวัฏอุโบสถศีลเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยทําให้ได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเป็นต้น หรือการบูชาคุณของผู้ไท้เจ้าเป็นเต้นเหล่านี้ไม่ใช่บูชาคุณอย่างเดียวแต่ทุศินนะทั้นี้ไม่สอดคล้องแล้วใช่ไม่ใช่คนที่จะบูชาคุณของผู้ได้เจ้าได้ชัดเจนและได้ดีที่สุดก็คือว่ากายกรรมวจีกรรมนั้นต้องไม่เกลื่อนกล่นต้องไม่กระจัดกระจายด้วยบาปอกุศลธรรมใช่ไม่ใช่เช่นกายกรรมก็มีบาปวจีกรรมก็เป็นไปกับบาปเนี้ยมโนกรรมหรือก็จิตก็หม่นหมองเศร้าหมองก็ลองคิดดูถามว่ากายกรรมวจีกรรมเนี่ยมีใจใช่ไหมเป็นตัวกํากับอยู่ ฉะนั้นคำว่าศีลเนี่ยเกิดที่ใจหรือเกิดที่กายหรือเกิดวาจาเอาศีลเนี ia, ่ยเกิดที่ไหนตัวศีลเนี่ยเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนามนะเกิดในใจเมื่อใจมีกุศลศีลแล้วใจนั้นก็ไปดูแลกายดูแลวาจาไม่ให้กายและวาจานื้อเกลื่อนกล่นก็จายกระจายคำว่าเกลื่อนกล่นในที่นั้นกายเกลื่อนก่อนก็คือกายเป็นไปกับปานอดิบาทเป็นไปกับการฆ่าเป็นไปกับการลักเป็นไปกับการบืพูดผิดในกรนั่นก็เรียกกายเนเกลื่อนกล่นแล้ววาจาเกินก่อนก็คือว่า พูดเทศสอเสียดเป็นต้นเหล่านี้ยนั่นก็เรียกเกลือกล่อนกลนเพราะอะไรเพราะใจไม่มีศีลนะศีลจริงจรเนี่ยดูแลใจด้วยไหมดูหรือไม่ดูดูเพราะศีลเป็นปฏิบัติต่อโทสะคนมีศีลไม่โกรธแล้วถามวันนี้โกรธบ้างไหมงุนหงิดบ้างไหมบางทีเอาโหนั่งรถมางุนหงิดไหมล่ะงุนหงิดกี่ครั้งต่อไปต่อไปคิดใหม่ถ้าใจมีศีลเนี่ยใจจะไม่โกรธ พ่อไม่โกรธแล้วจะได้ไม่ร่วงละเมิดเอาลองคิดเดี๋ยวถามว่าบางทีบางทีไม่พูดหลอกทำตาฟองๆ อ, ออกมาเนี่ยน่ากลัวไหมแต่ได้มองจ้องตาเขมงแล้วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอในใจอยู่เนี่ยเนี่ยเคยเป็นไหมละ่ะอ้าวทาไมคนบางคนเกิดมาตาไม่งามเนี่ยพอไปจ้องโกรธข้ามาเนี่ยเนี่ยเคยเห็นไหมบางบางคนเนี่ยเออ บางคนว่าคนเกิดมาเนี่ยสรีระก็ไม่งามนีม่เป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไปว่ากันเนาะอันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกตัวกุศลศีลเนี่ยฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนตนเองในอนาคตและปัจจุบันด้วยฉะนั้นกระแสะขันธาศยตนาของเราท่านทั้งหลายจะได้ไม่ลำบากมากใช่ไหมถ้ามีกุศลศีลเนี่ยในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงกันในเรื่องกุศลศีล อนามาก็เหนกันเนี่ยนะพูดไปพูดมาอนมาก็ขู่ตัวเองอยู่เลยเนี่ยในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยค ง, คงคงกุศลศีลไม่ค่อยดีพอใช่ไหมอลองมาพิจารณาโดยเราท่านทั้งหลายที่นั่งนั่งกันอยู่บางคนต้องไปโอ้โหต้องไปเดินวันแล้วทั้งหลายหลายชัวย่วโมงเพราะไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้ใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงตร ง, ต ง, ตงแบบไม่ต้องเย็นใจกันนใกล้ตายกันทั้ง น, นั้นเอาจริงนะเนี่ย ก็เป็นมนุษย์ใกล้ตายกันจริงๆหนึใช่ไหมแล้วใกล้มากด้วยนะแล้วไม่รู้ตัวด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยอ้าถ้าพูดอย่างนี้มีใครนะก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็บอกว่าว่าพระไปแช่งเขาแต่จริงไม่ใช่พระพูดความจริงเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่แต่เขาเขายอมรับไม่ได้เนีบางคนนะถ้าพูดอย่างนี้หาไปแช่งเลยใช่ไหม แต่จริงๆก็คือว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความตายเป็นสภาพจริงๆถามว่าสมมติจะนั่งฟังธรรมแล้วตายกการนั่งหลับตายเนี่ยเออทีน้ิท า, าเข้าครอบงมแล้วตายเอาอะไรดีจะมะฟังธรรมแล้วใจขาดจุติเกิดเลยดีกว่าแต่ถ้ากำลังสับังงกงึกๆงแล้วตายโดน <laughs> โอ้โหสุดเลย ข้าบายตัวกะติเลยบอกอแม่ไปดีก็แม่ฟองทำตายในห้องฟองทำเลยคืออารมณ์ภายนอกน่ะดีแต่นิมิตภายในไม่ดีเ <c> อ <oughs> ไปเปลี่ยนนิมิตเพราะตอนในขณนะสะประกอบนฟังทำรู้เรื่องที่ไหนใช่ไหมฟังได้มัหะเออเป็นเรื่อง ท, องที่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากในการดูแลใจเป็นน่นฉะฉันตัวกุศลศีลน่ยถ้าว่ารักษาบษุตรศีลเนี่ยในประวัติศาตร์รัตนเจดประการก็เกิดขึ้นโดยอานิสงส์การรักษาศีลในอดีตและปัจจุบันพ ในลำดับนั้นนะด้วยเดชานิสง์ผลแห่งราชกุศลที่พระองค์รักษาอุโบสถศีลเป็นประธานก็บรรดาลทิพรตนะจักแก้วให้บังเกิดแต่เบื้องปริมาทิศสานุภาะแห่งสมุดงามบริสุทธิ์พร้อมด้วยพันแห่งกรรมกงและก็ลงกฎเนี่ยนะก็เล็กศพภาคามปริปูรังเนี่ยย่อมมีมหิทธิประสิทธิ์สามารถให้สําเร็จความประสงค์ได้ทุกประการมีอะไรบ้างอะ่ะก็มีนั่นแหละช้างแก้วเนี่ยนะ พญาคจฉาล์เนี่ยนะเขาเรียกว่าช้างแก้วตัวประเสริฐก็บังเกิดมาแต่อุโบสถเขาเรียกตระกูลช้างอุโบสถเนี่ยตระกูลที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกแล้วต่อมาก็คืออัศระตนังก็คือม้าแก้วเขาเรียกว่าพญาอัสดรรัตนใหม่คือม้าแก้วเขาเรียกม้าสินทบช้างกับม้าเนี่ยเขาจะเดินหรือว่าสามารถที่จะ เดินทางได้อย่างยาวไกลวิ่งรอบโลกกลับมากินอาหารเช้าด้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนผลิตจรวดเร็วกขนาดนั้นก็คือว่าประการต่อมาก็คือเกี่ยวในเรื่องของมีมณีรัตนังก็คือดวงจินดารัตนมณีก็คือแก้วแก้วมณีนะและอย่างหนึ่งก็คืออิถีรัตนะก็คือนางแก้ว มันนีรัตนะนี่ก็เป็นแก้วที่สามารถที่จะเนรมิตอะไรต่างๆได้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเทพเจ้าในเรื่องของนางแก้วก็คือเป็นเทพเจ้าที่สร้างจัดสรรมาเพื่อมาจากอุตรากุรุปทวีปนางแก้วอิทธิรัตนะนี่ท่านมีมาพกเป็นคู่บุญนะทีนี้ถ้าถามว่าอิทธิรัตนะนี่เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเออผิวผิวของนางเนี่ยไออุ่นของนางเนี่ยจะอุ่นหน้าหนาว น้าร้อนจะเย็นเนื้อแปลกดีอันนี้ก็ก็เป็นมาจากบุญนนะแล้วก็มาก็ขาหาปฏิรัตนาก็คือคุ้นคลังแก้วเนะี่ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าการดำแล้วก็ปรินายกแก้วเป็นเป็นลำดับสุดท้ายเนี่ยนะอันนั้นคือส่วนในรายละเอียดก็ลองไปเทียบเคียงกันอีกทีตอนนั้นอาจยมาเคยบรรยายเกี่ยวในเรื่องของเกียวกัโพชงเจ็ดประการมาแล้วเนะี่ยก็เทียบเคียงให้ดูระหวัง รัตนาแก้วกับรัตนา7ประการก็คือโพ ช, ชงเจ็ดนั่นเองที่ต่อมาเนี่ยจากขนกุศลนี่ น, นนะที่คนบมเพนอโวโรสตัสสินเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยการตัดสูุโพชงเจ็ประการเป็นต้นเหล่านั้นโสธรมมิโกพระเจ้าสาครบรมจกักรพรรดิโพธิสัตว์นั้นก็เสวยมหายศูรราชสมบัตินะ่ะนะในราชธรรมประเพณีโดยมีเดชานุภาพไปทั่วพิภพก็หมายความบอกว่าปกครองทวีปทั้ง4 ก็ชมพูทวีปปุบพาวิเทหะอัปราโคยานทวีปแล้วก็อุตรากุรุทวีปก็ลองคิดดูเลยนะทวีปทั้ง4นี่พระองค์สามารถปกครองได้แล้วก็ยังมีทวีปน้อยใหญ่อีกอีกสองพันเวียนบริวาร น, นั่นคือพระเจ้าจักรพรรดิแต่ทุกวันนี้เราเรียกกันจักรพรรดิจักรพรรดิกันโดย ท, ทั่วไปก็ก็ไม่จริงใช่ไหมอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก็เรียกจักรพรรดินี่ไม่ใช่จักรพรรดินี่ไม่ไม่ต้องลบถ้าเป็นจักรพรรดินี่ไม่ต้องลบ เพราะว่าแค่ส่งจักไปคนก็ยกก็คนก็แพ้แล้วแพ้แล้วก็ขนาดตอนที่พระเจ้ามันธาตุราชนะถ้าเราไปดูในสติปัฏฐานสูตรในอัจฉริยะที่ท่านพัรณาเขาไว้ต้องไปดูดิพอพระเจ้ามันธาตุราชนี่นะในกรณีที่แค่ส่งจักไปในจาตุมาราชิกาเนี่ยเท้าจาตุมกวเห็นจักก็ยอมยอมแพ้แล้วแล้วก็ยกจาตุม า, าสวรร์ชั้นจาตุมให้เลยหรือโยนจักขึ้นไปบนนุ่นดาวดึง ถ้าสกาเห็นจักรลอยขึ้นมาแค่นั้นนะ่ะก็ยกมือยอมแพ้แล้วบอกว่าขอไม่ลบได้ไหมขอเจราจาหย่าสึกในปัจจุบันเนี่ยนะกรณีที่คนทะเลาะ ก, กันเนะี่ยเพราะอีกฝ่ายไม่มีจักรแก้วถ้ามีจักรแก้วเรียบร้อยใช่ไม่ใช่ก็ย้อนไปพบเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเห็นจักรแค่นั้นก็ไม่กล้าลบแล้วขอขอขอขอยอมแพ้นี่ไม่มีจักรแก้ว เข้าใจใช่มท้าวพระเจ้าจักรพรรดิไม่ต้องรบไม่ต้องรบเพราะว่าบุญนะ่ย บ, บุญบุญบารมีมากการนั้นพระพุรานาสักยะมุนีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงบำเพ็ญพุทธภูมิบา ร, รมีมาทั่วส16อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับในปัจฉินมพหสถพระองค์ก็ได้บังเกิดในจกักรพรรดิราชตระกูลนะแล้วก็ดํารงราชสมบัติอยู่สิ้นกาลนานอยู่5ปีแล้วก็ได้เห็นนิมิต ท, ทั้ง4ประการนิมิต4ประการคือเห็นอะไรอะ่ะ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเห็นนิมิตรสีประการก่อนจะได้ตัดสู้เป็นพระเจ้านิมิตรสีประการเห็นอะไรบ้างเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายใช่ไหมเราเห็นกันทุกวันไหมแล้วมีความรู้สึกไงตําต่ำไม่ความคิดไม่แรงเลยแปลกดีนะมาเคยพาคนเนี่ยติดโบรีเนี่ยนะไปในห้องของคนที่ติดบุหรี่ทั้งนั้นเป็นเบรนเงยกล่องเสียง พาไปดูเต็มไปหมดในโรงพยาบาลนี่เนี่ยกลับมาเป็นไงก็เฉยเฉยก็ก็เฉยเฉยโอ้โหทำไมลําบากเงินเอ้แปลกจริงๆรนะก็บเฉยเฉทํามไม่เฉยเฉยเขบอกว่าเขาไม่เป็นหรอกตัวเขาไม่เป็นหรอกอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นน่ะก็บอกเป็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นก็ตายเขาว่าพูดเหมือนปลงนะที่จริง ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นรู้ไห ม, ไมไโมหะเขาเยอะไอ้ตัวโมหะก็ครอบคือธรรมชาติต้องโมหะเนี่ยอัตตกระถาท่านเรียกว่ามิจฉาญาณนะเป็นธรรมชาติที่คล้ายปัญญาเขาคิดได้แล้วมิจฉาทิฏฐิแรงมากตัวมิจฉาทิฏฐิก็เป็นธรรมาวิชัยในการคิดไม่เห็นเป็นไรเกิดมาก็ตายใช่ไหมตายก็ทำไมตายก็เผาเรอยู่แค่นี้ยไม่มีอะไรก็ว่าชีวิตเกิดมาก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคิดอะไรมากก็ว่า วันนี้มีกินก็กินไปก่อนวันนี้อยากจะทำอะไรก็ทาไปเสียว่าตายไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือพูดมันง่ายจริงๆใช่ไหนี่คือคือในลักษณะที่ว่าพูดแล้วไม่ต้องไปรับผิดชอบในคำพูดไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นกันแบบเนี้ยแต่ถ้าหากกรณีที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาในความสะดุ้งสะเทือนมันเกิดถามว่าเอาอย่างี้นะ คนที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาจนยาวไกลตั้งสิบหกสงไขในะในกลุ่มนี้คือแปดสิบสงไขแล้วในแปดสิบสงไขเนี่ยหรือสี่สิบหรือยี่สิบก็แล้วแต่เนี่ยระดับปัญญาระดับศรัทธาหรือวิรยิยะวิริยิกาเนี่ยเวลาเขาเห็ น, นแปลว่าเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายน่ยคือพ่อแม่พี่น้องหมดแล้ว ฉะนั้นเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเขาก็เห็นตัวเขาด้วยเห็นญาติเขาด้วยแล้วความสะดุ้งสะเทือนเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัตรว่าจะต้องประสบภัยคือกันดารคือชาติชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารและมรณะกันดารไอ้กันดาลเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายออกไม่ได้เพราะโมหะนีิร้ายนักให้สังเกตดูนะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาพระองค์เนี่ยถูกกระทําร้ายหรือว่าศีลสัตว์ทั้งหลาย ประสบข้อกรรมทั้งหลายหรือกระทังบาปกรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดถึงสัตว์บุคคลนะพระองค์จะเพ่งไปหาไอตัวโมหะตัวมิฉาทิฐิที่ฝังแน่นในกำมลสันดาลของสัตว์น่ะว่าร้ายกาศนะขนาดเขาทบหัวตัวเองทบไปเถอะเขาฆ่าตัวเองก็ฆ่าไปเถอะเขาแทงตัวเองก็แทงไปเถอะเขาจะประทุษร้ายถอยถมน้ําลายรดหรือกระทืบลากไปตามถนนเอาไม้เสียบเป็นรูไม่รู้กี่รูเนี่ยนะ หรือเอาเลหล็กแหลมเสียบเนี่ยนะก็ไม่เคยกโกรธรับได้จะคิดว่าโอ้โหโมหะที่ฝังแน่นในกรม ล, ลสันดานของสัตว์มิจฉาทิฐิที่มันฝังอยู่ในใจในกรม ล, ลสันดานของสัตว์ร้ายกาจโน้เราจักลื้อสัตว์ขนสัตว์เพื่อให้สัตว์เหล่านี้ละโมหะที่มืดมนอนตการในกระแสขันเราจะประกาศพระธรรมมาจากให้เป็นไปเพื่อทําให้สัตว์นั้นมีแสงสว่างในใจเพื่อละความมืดบอดในใจให้ได้ ท่านก็คิดอย่างเนี้ยถ้าอย่างเรามีคนมาทุบหัวเราตูมเราคิดยังไงน่าคิดยังไงอ่านั่อนนงอยู่อย่างเนี้ยมีคนลุกขึ้นมาแล้วอมไม้ทุบหัวตูมเราจะคิดยังไงมีก็ที่อาตมาเคยเล่ามียอมคนหนึ่งก็พ่อตายพอพ่อตายเบีเสร็จก็ต่อมาไอท้ที่ที่บ้านหลังที่นั่น ท, ที่บ้านหลังนั้นก็มีงูเห่าตัวเล็ก แกก็สงสัยพ่อเราเมื่อเกิดมั้งไม่รู้ปัญญาหรือโมหันนี่เนี่ย ก, ก็มาเลี้ยงน่ะขา้าวข้าวหารกินทุกวันไม่ได้ไม่ได้ขังด้วยนะเขาก็มาทุกวันทุกวันโอ้แต่เขาก็โตขึ้นโตขึ้นยัง ม, มีอีกวันนึงมันก็วิท้าไหน้มันกัดเขาไงแก <laughs> ก็เรามึงมากัดกูทำไม ก, กูเลี้ยงมึงทุกวัน ก็โมหะนะสัตว์มันเต็มไปด้วยโมหะดังนั้นเราจะเลี้ยงเขาเราก็ต้องระมัดระวังนี่มันมันเป็นสัตว์ไว้ใจได้ที่ไหนเนี่ยส่วนจริงโอ้แต น, นี้เจองูเห่าให้เลี้ยงผมไม่เอาเลยงูเห่าเต็มแผ่นดินไม่ห่าจะไม่ศรัทธาไปไปเมตตาอยู่ตัวเดียวไปกรุณาอยู่ตัวเดียวยจริงๆกรุณ า, างที่แยกไม่ออกระหว่างโมหะกรุนาตรงนี้เนี่ยแหละพระพระโพธิสัตว์ก็คือ ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ห้าปีดังที่ได้กล่าวแล้วต่อมาก็เห็นปุกพานิมิตทั้งสีประการดังที่ได้กล่าวเนี่ยก็เบื่อนหน่ายให้สังเกตดูนะถ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นต้นเหล่าเนี้หรือเห็นสมานานเนี่ยนะท่านเวลาเห็นเนี่ยอัฏฐปรากฏในใจท่านชาัดเพราะอะไรวิปัสสนาญาณท่านเดินที่จริงถามว่าเห็นปุ๊บแล้วทําไมถึงเบื่อแสดงให้เห็นชัดว่าอาทีนวานุปาานนะัสสนาญาณโกิดเนอะนั่นแหละ เห็นไหมว่าท่านไม่ต้องมีใครมาแนะนําวิปัสนาญาณเลยไะแค่อารมณ์ที่มาปรากฏให้เห็นน่ะแค่นั้นเองนั่นแหละคือทีนี้นี่แหละเขาเรียกเป็นครูอาจารย์เนี่ยในบรรดายุคหลังๆก็เลยมาบอกว่าเนี่ยท่านทั้งหลายใช่ไหมอาจารย์ของเราก็อยู่รอบไปหมดแล้วก็หมายความนี่ไงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมองไปเถอะหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของต้นไม้ภูเขาต่างๆเหล่านี้ยล้วนจะเป็นปัจจัยในการที่จะทําให้บรรลุได้หมดเลย แต่ถ้าถามไม่ได้ฟังว่าทของพระเจ้าในปัจจุบัตนะพราไม่เข้าใจเนี่ยไม่ไปทําให้อย่างพระโพธิสัตว์ได้ไหมได้ไม่ได้มันคนละบาละมีต้องเข้าใจตรงนั้นให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดอีกเพราะว่ากรณีอย่างยกตัวอย่างเช่นนะเราไปให้ดูเนี่ยเออเนี่ยคนเกิดเนี่ยมาไข้ควรสมมติเราไม่มีข้อมูลในการเดินวิปัสสนาสักข้อเลยอะ่ะ คือไม่รู้เลยว่านามรูปปริเฉทยานปัจจะยปริกขหายานสมัาสนายานอุทิยพยาญานาทีนวยา น, า น, ายานเราไม่เข้าใจในเรื่องของวิบนานญาเลยแล้วก็อธัธยาศัยที่สั่งสมมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะแต่พอมาเห็นแบบเสร็จแบบ น, นี้บอกก็เราไม่ต้องฟังคําสอนเยอะแล้วเราไปพิจนารณาแล้วก็เบื่อหน่ายได้มันไปได้ไหมอ่ะมันก็ไปไม่ได้ไงเข้าใจอยังเพราะเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์เราไม่ใช่สัตว์ที่จะตัดสู้เองโดยไม่ได้ฟังพระธรรม นั่นต้องต้องแยกให้ออกอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบกันกับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลถ้าพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลเวลาท่านเห็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยกรรมลสัญานของท่านเนี่ยนะกระแสขันของท่านเนี่ยถูกตักเตือนด้วยบารมีทั้ง10ประการด้วยโพธิปักกิยธรรมที่ท่านบ่มเพาะอย่างยาวนานเนี่ยตัว น, นี้มากระตุ้นเตือนมาประชุมทันทีเลยเพราะท่านสั่งสมมาอย่างยาวไกลแล้วและท่านเป็นสัตว์ประเภทที่ต้องตัดสินเองนะไม่มีอาจารย์นะ ท่านต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีข้อมูลเบษษ็ดเสร็จปุ๊บไปเห็นอย่างนี้แล้วจะตัดสรุปเองไม่ได้เพราะท่านท่านห้ามเขาไว้เลยห้ามการตัดสรุปแบบประเภทไม่ได้ฟังไว้เนี่ยเพราะคนที่ตัดสรุปไม่ต้องฟังมีสองจำพวกคือสัมมาสัมโพธิกับปัจเจกโพธิเท่านั้นเองนอกนั้นต้องฟังจนเข้าใจแล้วถ้าฟังไม่เข้าใจก็ตัดสรุปไม่ได้ถ้าถามเอา้าถ้างั้นภาษารีบุตรทาไมฟังนิดเดียว นั่นหนึ่งอสงไขนะอย่างที่บอกไงปัญญาระดับไหนที่ได้อุปมาแล้วไงนั่นแหละระดับอย่างนั้นแหละท่านขยายเองฟังย่อท่านขยายได้แต่และองค์นี่แสนกลับบ้างใช่ไหมเป็นอสงไขกลับบ้างที่เป็นอสงไขก็มีทั้งหลายองค์ที่เป็นภาษา v o k นี่ไม่ใช่เฉพาะภาษาริบุตรแต่ท่านไม่ได้ตั้งอัตฉรยะใส่ที่จะเป็นอัคราสาวกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ก็แยกให้ถูกเวลาศึกษาคําสอนว่าทําไมต้องฟังจนเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจนี่นะเอาว่าอามาบอกว่าเอาให้ไปเดินสมาทิฏฐิจะเดินอย่างไงอามามานั่งถามหลายองค์เนี่ยหลายคนนะเขาไเขาไปคุยกับพระามาก็ถามว่าคุณคุณเดินนี้ดูดิคุณเดินนี่ ด, ดูคุณคิดหน่อยเอาแค่ว่าคุณจะคิดถึงตาตัวเองโดยให้สมาทิฏฐิเกิดคิดยังไงไปไม่เป็นแล้วทั้งทั้งที่เรียนมากันจนไม่รู้ต่อไหลเพราะเพราะไม่เคยประชุมลงสู่กระแสขันตัวเองการเรียนมันเลยตนเองหมดไง การเรียนการฟังแต่ละครั้งไม่เคยมาประชุมเข้าสู่การคิดในการวิจัยขันธาตุอยายตนะของตนเองเลยในชีวิตจริงๆเพราะว่าสุตะได้แค่นั้นนี่ะได้แค่สุตตะแต่ว่าไม่ได้สังสมไม่ได้สังสมวิธีไขครควนลงสู่กระแสขันธาตุอยายตนะตนเองเลยก็ไปไม่เป็นบางทีก็เรียนเรียนก็ไปอยู่ในกระดานหมดเลยอ่ะใช่ไหมเวลาฟังแบบแบบเสร็จเนี้ยเราก็ไปวิจัยต่อกันไม่ค่อยเป็นนั้นตรงนี้ต้องเขาเกิดจากความเข้าใจจริงๆ มาถึงพยายามเน้นตลอดว่าเหมือนบางคนมาบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่สอนีกรรมะโมวานเนี่ยพระก็ทําว่าสวดมนต์เสร็จพระก็บอกว่าเออนิมนให้ตมาสอนกรรมฐานหน่อยมันมาก็หนักใจสอนกรรมฐานอะไรก็คือก็หันไปถามพระเพ่งวดใหม่ท่านจะเจริญพุทธคุณแบบนี้ได้ไหมเอาไม่ได้เพราะไม่รู้จักเลยอเจริญเมตตาได้ไหมเอาไม่รู้จักเมตตาอีกเข้าใจใช่ไหม ท่านสวดได้เนี่ยอะไรได้แต่ไม่รู้อจะให้เจริญยังไงก็เอางี้ก็แล้วกันท่านพอจําพุทธคุณได้ก็นั่งหลับตาหรือลืมตาระลึกตรึกใคร่ควรไปก่อนเพราะยังไม่มีข้อมูลไม่ใช่ไปให้ดูลมกระทบเข้ากระทบออกพอที่ไหนแล้วฤาษีเขาไม่ต้องเรียนเลยนะเขากระทบเข้าทบออกได้ฌานสมาบัติได้แต่มันจะเป็นปัจจัยแกมิจฉาทิฏฐิเอสิโอกาสเป็นมิจฉาทิฏฐิสูงเข้าใจยัง ฉนันถึงบอกต้องฟังให้เกิดความเข้าใจเวลาไปเดินหรือเจริญกุศลมันจะได้ชัดไอ้ตรงนี้ก็ในรายละเอียดก็ไม่ลงไปนะแต่ว่าตรงเนี้ยฉะนั้นกรณีที่ท่านเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เบื่อนหน่ายจากคารวะวิสัยออกสู่มหาวิเนศกรมก็ทกํากระทุกกระทกริยาอยู่กึ่งเดือนกึ่งเดือนกี่วันสิบห้าวันเอ๊ฟุตตเจ้าของเราทําไมบังเพ็ินทุกการกิริยาตั้ง6กปีออันนี้ทำไมบังเพ็ินแค่ห้าวันเจวันได้ไหม มีไหมเจ็ดวันพู้เจ้าบางองมีไหมเจ็ดวันก็มีสิบห้าวันก็มีเดือนมึงก็มีใช่ไหมหกปีก็มีมากกว่าหกปีมีไหมทําไมพระพุทธเจ้าของเราจึงบําเพ็ญทุกกรกิริยาเยอะเลือเกินเอาถามว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่บําเพ็ญทุกกรกิริยาได้ไห ม, ไ, มได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องบําเพ็ญเนาะเป็นภายในแห่งสัพพัทกับนัสนะ่ะ เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเป็นพุทธประเพณีที่สืบมาด้วยเดชานุภาพธรรมจักรโอ้โหการแสดงธรรมจักรนี่ยันเลยตอนที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรนี่ถามว่าแผ่นดินไหวไหมแผ่นดินไหวเลยเนี่ยพระเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละสรุปแล้วเนี่ยเราผ่านแผ่นดินไหวมาเยอะหรือยังทุกวันนี้แผ่นดินไหวบ่อยไหม มีใครแสดงธรรมจักหรือเปล่าถึงไหวอย่างนั้นไม่เกี่ยวเนาะแผ่นดินไหวมีเหตุหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือเวลาพระเจ้าประสูติตัสรู้เป็นต้นเหล่านี้แต่เวลาเกิดแผ่นดินไหวเรานึกถึงการแสดงธรรมจักของพระเจ้าบ้างไหมนึกไหมอ้าวที่บางทีได้ยินข่าวเขาบอกแผ่นดินไหวตรงนั้นตรงนี้นึกถึงพุทธคุณของพระเจ้าไหม ไม่คิดเลยใช่ไหมแสดงพุทธคุณไม่ค่อยหนักแน่นนะถ้าบางคนคิดเนี่ยโอ้ยพุทธคุณหนักแน่นในใจสูงมากใช่ไหมบอกโอ้ตอนพุทธเจ้ า, าแสดงธรรมจักแผ่นดินไหวมากกว่านี้แต่ไม่ใช่ไหวแล้วคนตายเอ็นคนละเรื่องใช่ไหมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมจักให้เป็นไปก็ดีประสูติตัศโลก็ดีเนี่ยไหวเพื่อสั่นสะเทือนให้สัตว์นั้นรู้หรือพูดอีกในาย่านหนึ่งก็คือว่า ถ้าพูดถึงก็คือว่าบรรดากิเลสทั้งหลายในใจของสัตว์ก็ไหวด้วยใช่ไหมก็ไหวด้วยเห็นไหมว่าลองคิดอย่างนี้กิเลสอยู่ที่จิตใช่ไหม